ต่อไปสวดหน้าที่เก้าสวดทานองสรพัญญะบทพระสังฆคุณทรงใด้สาวกศาดสดา์สาร์รับปฏิบัติมาแต่องค์สมเด็จพระขวันเห็นแจ้งจตุสัต์เสร็จบานรู้ทางที่อันระงอับและอับทุกภัย โดยเสด็จพระผู้ตรัสรตรปัญญาผ่องใสสะอาดและปราดมัวมองเพินห่างทางข้าศึกปองบ่อนมีธรอมพอด้วยกายแล้วาจาใจเป็นเนื้อนาบุญหันไพสานแด่โลกไก และเกิดพ่ปูลพูนพ้นสมยาเอารถทศสพนมีคุณอานน อ, นอนเนกจะนับเลือตราข้าพออนกหมู่พัสราพกสรงกุณานูคุณประดุจจะรำพันด้วยเดบุญค่าอภิวัน รักใจรรักหันปู่กรมดีเรกนิรศไซจงช่วยขจัดโพยภัยอันตรายใดๆจงดับและกลับเสื่อมสุนกราบ